ตอนเช้ากับตอนบ่ายอันไหนอันไหนช่วงไหนอาหารทีนมิทะได้ได้ปัจจัยมากกว่ากันเนยอย่างพวกเราได้ทุกเวลาขอให้ฟังทำเอย <laughs> ใช่ไหม <laughs> ขอให้ฟังทำเราได้ทุกเวลา <laughs> ถ้าฟังอย่างอื่นแล้วทีนมิท h ไม่ค่อยได้กินใช่ไหม <laughs> แต่ถ้าฟังทำมาที่ไรแล้วเดี๋ยวทีนมิท h ก็ได้เลยไม่สว่างนะ <laughs> ไม่สว่าง <c oughs> เอาเงี้ยดีกว่านะตอนนี้ถ้าเห็นใครทำท่าสรุมสรือเรียบถามเลยทันทีเน่ <c oughs> เอางั้นดีกว่าเนะี่ยอย่างเี้ดีเลยบ <c oughs> าีก็นั่งคิดเหมือนกันนะ อยากจะบรรลุแต่ยังออกจากทีนามิทะไม่ได้เนี่เป็นเรื่องน่าคิดเหมือนกันทีนามิทะเนี่ยออกยากเหมือนกันเนี่า <c oughs> เป็นระยะ ก, ก็ดีนะเพื่อจะได้แบบว่าสร้างความเข้ า, ขาใจให้ตรงนี้ตรงนี้ในแคว้นกุรูอุรัตเนี่ยนะ <c oughs> ในเวลาเช้าพระศ า, าสดา ก, ก็ ทรงนุ่งแล้วถือบาดจีวรเสดไปบินทบาทยังกรรมสาธารมานิคมระเที่ยววินธบาทในกรรมสาธามานิคมแล้วก็ภายหลังจากหลังพัดเสร็จพัฒกิจนะ <c oughs> ก็กลาบจากวินธบาท <c oughs> ก็เข้าไปในภัยนแห่งหนึ่งเพื่อประทับพักกลางวันถามว่าพระศ า, าสดาแอบไปนอนหรือเปล่า <c oughs> ไม่ใช่เลย <c oughs> พระศ า, าสดาไปเข้าสมาบัติเนี่ยประทับนั่งนะ นั่งพักกลางวันนักคนไม้แห่งหนึ่งก็คือพระศาสดาจะใช้เวลาในการหลีกเล่นโดยมากถ้าเราฉันอาหารทานอาหารเสร็จจับแล้วเราจะมีเวลาหลีกเล่นหลีกเล่นไหมมีไหมไปนั่งกรรมฐานนั่งไม่มีเลยเลยแต่นี่เวลาทานอาหารเสร็จแล้วก็มานั่งนิ่งๆกันทุกคนก็ละสามนาทีดีไหม นั่งกำหนดเลยถ้าทํางนี้ได้โอ้โหดีเลยใช่ไหมแล้วถ้าใครจะถามบอกถ้าใครจะคุยเรื่องอื่นบอกเดี๋ยวหยุดก่อนเดี๋ยววันนี้จะต้องทำกิจเะถ้าถ้าทำอย่างนี้ได้ดีนะพอทานอะไรเบ็ดเสร็จแล้วเดินทํากิจส่วนตัวแล้วก็มานั่งนิ่งจเจริญพุทธคุณบ้างทำมคงคุณสังฆคุณบ้างถ้าทํอยางี้ได้ดีเลยครั้งนั้นมาคันธยาปริภาชก็เที่ยวไปเที่ยวไปมาเพื่อจะแก้เมื่อย พอไปถึงโรงบูชาไฟของพราหมณ์พารัตารัทธวชชะโกรธมาคันทิยะนี่เดินนะเดินแก้เมื่อเดินถ้าเป็นนักบวชเดินแก้เมื่อได้เห็นเครื่องราชที่ราช ด, ด้วยห ญ, ญ้าในโรงบูชาไฟของพราหมณ์พารัทธวชชะโกรก็ได้กล่าวกับพราหมณ์ารทวชชะโอดศร้าย เครื่องราชที ah, ่ป th th ูด้วยย่าในโรงบูชาไฟของท่านพาราทวชะหรือหรือเป็นของใครว่างั้นเห็นจะเป็นที่นอนของที่สมควรแก่สมณะส่วนพราหมณ์พาราทวชะโรธเนี่ยนะบอกว่าท่านมาคันธยะพระสมณะโคดมสากยะบุตรออกบวชจากสากยะตระกูลนี่เป็นตระกูลของเจ้าสักยะเป็นพระเจ้าแผ่นดิน อาจมีคนเกลีใจเยอะไหมถามาจากพระยาปรนะเดนเกลีใจด้วยใช่ไหมเกียรติศัพท์อันงามของพระโคโดมนั้นขจรไปอย่างนี้ว่าแปลว่าท่านรู้กันแม้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระรหารตัดสรูชอบได้โดยพระองค์เองแปลว่าเป็นไงพุทธคุณเนี่ยไหลทั่วกระแสะใจทั้งชมพูทวีปไหมทั้งที่นับถือและไม่นับถือ ถึงพร้อมได้วิชาและจรณาเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสรารถิฝึกบุตที่ควรฝึกไม่มีบุคคลอื่นยิ่งกว่าเป็นศาสด า, าของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมที่นอนนี้ปูไว้แล้วสำหรับท่านพระโคดมนั้นมาคันธิยะก็เลยถามว่าท่านพาระทวชะพวกเราได้เห็นที่นอนของท่านพระโคดม ผู้ทำลายความเจริญชื่อว่าเป็นการเห็นสิ่งที่ชั่วรา้ายถามว่านักบวชนอกศาสนาเนี่ยท่านมาเห็นที่นอนที่นั่งนะเห็นที่นั่ ง, งเห็นที่นอนของท่านสมณะโคดมผู้ทำลายความเจริญเพราะในศาสนาของพระโรมาสดากับศาสนาของท่านมาคันธยะปริภาชกสอนคนละอย่างกัน คือมาคันธิญาเนี่ยสอนแห่งเรื่องความเจริญต่างๆาหูจมูกลิ้นกายใจแต่พระบรมศาสดาคําสอนของพระศาสดาบอกจํากัดความเจริญต่างตาหูจมูกลิ้นกายใจคือสอนให้วิบัติในความเห็นของเขาว่าสอนให้วิบัติเอา้าเราเนี่ยต้องการที่จะพอกพูนตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เป็นไปในสังสารวัตรไหมหรือต้องการตัดเนี่ยก็เรียกลัทธิจํากัดความเจริญในทัศนะของพราม ของมาคันธิยะปริพาโชคท่านถึงบอกว่าทําลายความเจริญชื่อว่าเป็นการเห็นสิ่งที่ชั่วภารัทวาชะก็บอกมาคันธิยะท่านจงรักษาวาจานี้ไว้ใช่ไหมแปลว่าอะไรอ่ะทําไมบอกให้รักษาวาจานี้ไว้ตอบได้ไม่ยอมแก่อตอบไม่ได้อีกเนี่ยโทษของการฟังไม่ต่อเนื่องนะเนี่ย รักษาวาจานี้ไว้ท่านมาคณิยะท่านจงรักษาวาใจความจริงกษัตริย์ที่เป็นบัณฑิตก็ดีพราหมณ์ที่เป็นบัณฑิตก็ดีกระทดีที่เป็นบัณฑิตก็ดีสำนนที่เป็นบัณฑิตเป็นอันมากก็ดีพากันเลื่อมใสยิ่งนักทั้งหมดเลยน่ะทั้งกษัตริย์เอ้ยก็ทาบุดีเอ้ยสำนยที่เป็นบัณฑิตพราหมณ์เอ้ยเนี่ยท่านพากันเลื่อมใสพระบรมศาสดาพระองค์นั้น เพราะท่านพระโคโดมทรงแนะนทำธรรมที่มีเหตุบริสุทธิ์ไม่มีโทษเห็นไหมพาละทวาชเนี่ยท่านท่านยกย่องเลยบอกมาคัญญิาอย่าไปพูดแบบนี้บัณฑิตเขาพากันยกย่องสรรเสริญแต่ท่านทำไมไปตำหนิแสดงว่ามาคันธิยาเป็นบัณฑิตไม่ตอนนั้นนี่ไหมมาคัญญิาบอกท่านพาละทวาชะถ้าแม้พวกเราได้พบท่านพระโคโดมนั้นต่อหน้านะ เราก็จะกล่าวกับท่านพระโคโดมต่อหน้าว่าพระโคโดมเป็นผู้ทําลายความเจริญเนอเออทลายความเจริญดังเนี้ยข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะคำเช่นนี้สอดคล้องกับสูตรของเราว่าสอดคล้องกับสูตรพระรัธถวาชาก็กล่าวคำบอกว่าไม่เป็นการหนักใจแก่ท่านมาคันธิยะนะข้าพเจ้าจากทูลถามทูลกับพระบรมศาสดาให้ทรงทราบว่า ง, งั้นถ้าท่านไม่หนักใจนะท่านพูดอย่างนี้ใช่ไหม โอ้ยงี้เดียวเราจะไม่บอกพระเดช้ามาคันธิยะก็บอกท่านพาลชะชไว้อย่า ก, กังวลเลยเราจะบอกแล้วเชิญท่านบอกพระโคโดมพระศ า, าสดาได้ยินเสียงของพราหมณ์ภาระทวาชโคดกับมาคันธิยะปริภาชกอาได้ยินยังไงอยู่ตั้งกายอยู่ในป่าทําไมถึงได้ยินเนี่ยตรงนี้แหละพระองค์ก็มีทิปโสตะตรงนี้ก็คือว่าทรงได้ยิน ตรงได้ยินพรามนั้นเออตรงนี้เป็นโรงบูชาไฟนะเครื่องร่าที่ทําด้วยหญ้าม่จากคาว่าตินนาสันธรเกเนี่ยมาคันธิยาปริพาชกมีสองคนคือลุงและก็หลานในสองคนนั้นลุงบวชเป็นบรู้เป็นพระรหลักฐาแล้วหลานก็มีอุปนิสยัยไม่นานจากบวชบุรุษเป็นพระรหรักฐาครั้งนั้นพระศาสดาเนี่ยเห็นอุปนิสัยของมาคันธิยาปริพาชคจึงมานะที่นั้น ละทิ้งพระคันกดีคือพระศ า, าสดาเนี่ยอยู่ในพระคันกดีเนี่ยอย่างกับห้องทิพต์ใช่ไหมที่น่าเรื่อนลมปูราดด้วยเครื่องกลับมาก็มาทรงประทับนั่งเครื่องที่ปูราดได้ ย, ยากคิดดูดิที่จะรอสาวกของท่านเนี่ยต้องทนไหมอย่างเราเนี่ยกล้าไม่หนาวหนาวเนี่ยทิ้งที่อยู่ดีดีเบ็เสร็จก็เป็นนั่งอยู่ในที่มีหญ้าคาปูแล้วก็รอเป็นวันวันสองวันเนี่ย เอาไหมไม่เอาเลยไม่กล้าลงทุนเลยพาะเงียถึงเป็นแบบเียนะเนี่ย <l ots of genius> พอคิดแบบนี้นี่แหละนี่คนไม่กล้าลงทุนเลย <l ots of genius> โหดีจุ้เอางั้นเลย <l ots of genius> ว่าไงยอมมริวนมีการค่อยๆเป็นค่อยๆไปเถอะไมกลัวศีลสมาธิปัญญาจะเกิดเร็วไง เขาต้องเร็วเร็วไว้เรื่องเจริญสีนสมาธิปัญญาแต่ถ้ากิเลสเกิดเนี่ยถ้ากิเลสเกิดเนี่ยนทีน้มิทาจะเกิดก็ให้เกิดไม่ใช่เลยนะไม่ใช่เลย <c oughs> เป็นค่อยเป็นค่อยไปเลย <c oughs> ตรงนี้ก็คือท่านมาประทับนั่งที่เครื่องปูราที่ทำด้วยหญ้าที่ลงบูชาไฟาที่สกปลกไปด้วยเท่าหญ้าและขยะ คิดดูทีต้องประทับอยู่ที่นั่นสองสมวันนี่แหละภาษาสดาแล้วมีพระหมากรุณาที่คุณแบบเนี้ยทิ้งกูดีดีแล้วไปนั่งที่ศกโปกงอย่างนั้นรอรอพระเจ้าเออไม่ใช่รอรอท่านมาคันธียะรอสาวกของท่านใครมีบารมีพระองค์ไปนั่งรอแปลกใจไหมทำไมพระองค์ไม่มาปลดเรา <c oughs> แปลกใจยางตนนี้ <c oughs> พอจะคิดออกหรือยังเ <c oughs> พราะอะไร เราไม่ยอมทำอะไรกันเลยใช่ไหมไม่ยอมเพิ่มอะไรเลยเนี่ยอันนี้ท่านพูดถึงเครื่องร่าที่ทำด้วยากท่านเสด็จไปยงังไพรศนานะเต น, นุอุปสังคมีที่ปแปล ว, ว่าเสด็จไปไพรสนนะ่ะถ้าพราะผู้ไห้พักเจ้าไม่ได้พักอยู่ที่โลงบูชาไฟตลอดกลางวันนะหลงบูชาไฟนั้นมีเด็กชายเด็กหญิงในหมู่บ้านใกล้ๆพกผ้าไม่สงบ พระบรมศาสดาก็ใส่ช่วงเวลากลางวันเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยอยู่ในภัยสนพอตอนเย็นก็ไปยังโรงบูชาไฟเพื่อพักผ่อนก็เลยพักผ่อนที่นั่นแหละทําญยาปูราดเันไว้นั่นแหละเป็นที่พักผ่อนเป็นที่เดินยงกรมเป็นที่นั่งแล้วก็ทรงพักเนี่ยเนะี่ยได้เห็นเครื่องราชอันทําด้วยญ้านี่นะอัทธาสาโขตินนะสันทรกังปัญญาตังที่แปลว่าในวันนั้นนะ่ะ พระศาสดาก็เก็บเครื่องล่าที่ทําด้วยญ่านั้นทําเครื่องหมายไว้แล้วก็เสด็จไปแต่ในวันนั้นของปูไว้ไม่เก็บแล้วก็เสด็จไปเลยเพราะเหตุไรเพราะในคราวนั้นพระองค์ตรวจดูโลกธาตุใกล้ลุ่งอยู่นะโด้พุทธจักรสุก็ได้เห็นว่าวันนี้มาคันธิยะพราหมณ์ในจะมาในที่นี้คันเห็นเครื่องล่าที่ทําด้วยญ่าและจจกสนทนาปารบเรื่องเครื่องล่าที่ทําด้วยหญ้ากับภารทวาชัพราหมณ์แต่นั้นเราจักมาแสดงธรรม มาคันยะพราหมณ์ได้ฟังบวชในสำนักของเราแล้วจักบรรลุเป็นพระหลหันท่านคิดอย่างเนี้ท่านดําริเบสรส็จเพราะอะไรเพราะาบ่มเพนบารมีมาท่านก็เลยสงเคราะห์แกบุคคลที่มีศรัทธาที่บําเพนบารมีมาเนี่ยนะถึงแม้ตอนนั้นยังไม่มีศรัทธาเนยะท่านก็เลยปูเลือกเครื่องลาดไว้ไม่ยอมเก็บเครื่องเครื่องปูลาดเขาไว้เพราะการเห็นอย่างงั้นเป็นการเห็นนิมิต ท, ที่อยู่ของพระศ า, าสดาแล้วทําให้รู้สึกฉุกคิดอยากจะสนทนาเขา้าใจอะ จะต้องคุยด้วยแล้วน้ำน้องอย่างนั้นนั่นก็เลยเห็นจะเป็นที่นอนของสมณะสาขาบุตรเนี่ยนะทีนี้เครื่องลาดเนี้ยไม่ได้มีรอยมือจับไม่มีรอยสีสาหนุนแล้วก็ไม่มีรอยเท้าเหยียบเครื่องลาดนี้ไม่เลอะเทอะไม่ถูกเสียดสีไม่ถูกทาลายเป็นดุดช่างตกแต่งผู้ฉลาดใช้โูกปูล้อมเข้าไว้เป็นที่อยู่ของสมณะผู้สารวมเราก็ลังดูที่นอนเราที่เนี้ย เอาเป็นไงลกขึ้นแล้วเป็นไงบ้างมียับยู่ยีไหมยมีไม่เหมือนไม่มีคนนอนเลยโดยเสรินมากหลังไม่ค่อยได้แตะพื้นเลยอยู่ในสมาบัติทั้งคืนอย่างเงี้ <c oughs> ยเครื่องร า, า, าดภูมินีเ่เป็นอย่างเงี้นะทีนี้ มาคันธิยะพราหม์ก็ถามว่าท่านผู้เจริญเป็นที่ของใครเนี่ยผู้ทําลายความเจริญก็ก็<笑><笑>เลยบอกว่าโกรธนะฮะผู้ทําลายความเจริญก็คือว่ามาคันธิยะกล่าวว่าเขามีรัฐที่ในการบัญญัติสร้างความเจริญในทวารทั้งหกคือทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเจะต้องให้เจริญขึ้นเออลองดูรัฐที่ของมาคันธิยะเนี่ย มาคันธิยะลัทธิของเขาคือควรให้ตาเจริญงอกงามให้ตางอกงามให้เจริญควรให้รูปที่ไม่เคยเห็นรูปที่ได้เห็นแล้วก็ให้ผ่านไปก็หมายความว่าสแสวงหาอันในโลกแบนี้เราสิ่งไหนที่อยากดูเราไปดูมาเยอะไหมนั่นแหละลัทธิของมาคันธิยะฟังแน่นมาถึงพวกเราเนี่ยลัทธไิไม่จํากัดความเจริญในเทวานทั้งหก อะไรอยากจะดูก็ไปบางทีไกลๆขานาดไหนเสียค่ารถเสือเสียค่าเครื่องบินไปก็ไปดูอยากจะไปฟ in ังอยากจะไปดูอยากจะไปเห็นอยากจะไปสัมผัสเขากล่าวเขาพูดเรื่องประเทศไหนไปมาหมดไม่ได้ไปที่เดียวคืออินเดียไม่กล้าไปกลัวลำบากแต่ที่อื่นไปมาหมดเล่าได้เป็นตัวเป็นตาเลยเคยเป็นไหมเคยเห็นไหม ในประเทศไทยก็ไปหมดตรงไหนที่ว่าดูอยากจะนี่เขาเรียกระที่อะไรไม่จํากัดความเยอะเลย <t> <laughs> นี่มาคันธิยาก็กล่าวอย่างเนี้ยเขามีระทีอย่างเนี้ยทางทวาตาหัวจมูกเลนกายใจทั้งหลายเนี่ยอะไรที่เห็นแล้วให้ผ่านไปแล้วก็แสวงหาสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นยิ่งยิ่งขึ้นไปอะไรที่ฟังแล้วฟังจนอิ่มน้ำสําราญแล้วก็ผ่านไปแล้วก็แสวงหาสิ่งที่ยังไม่ได้ฟังให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอะไรที่ดมแล้วเนี่ยให้ผ่านไปนะแล้วก็แสวงหาสิ่งที่มัน ได้ดีย wow. ิ่งยขึ้นไปเข้าไปในห้างก็อันนี้เคยใช้แล้วใช้แล้วไม่แอลกอฮอดีดีขึ้นไปเรื่อยเงี้ยนี่ละที่พ่อพูนความเจริญอทุกวันยังมีอยู่ไหมละที่นี้นี่ละที่อย่างเงี้ยกลิ่นเอ่ยรสเอ่ยสัมผัสเอ่ยแล้วก็ทำอารมณ์เนี่ยมาคันธิยะก็บัญญัติว่าต้องให้ทวารทั้งหกในเจริญ คือทำให้จักขูทวารวิถีโสตาทวารวิถีขานาทวารวิถีชิวหากายะมโนทวารวิถีจเจริญ ย, ยิ่งยิ่งขึ้นมาแล้วก็เอาอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นที่ชื่นตาเย็นใจทั้งหลายเหล่านี้มา พ, อพ่อกคูณให้วิถีเหล่านี้ได้เกิดได้เสวยได้รับรู้ที่รับรู้และศึกษาผ่านไปแล้วก็เออลุยไปเรื่อยๆให้ได้ข้อมูลที่มันยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปบศเบ็ดเสร็จอย่างนงี้นแต่พระบรมศา ส, าสดาสอนในเรื่องการสรุสัมรวมซะนี้ ทางทวารตาเป็นการดีสํารวมทางทวารหูเป็นการดีใช่ไหมสํารวมทางทวารจมูกเป็นการดีสํารวมทางทวารลิ้นเป็นการดีสํารวมทางทวารกายเ ป, กาปาปกาเป็นการดีสํารวมในมโนทวารในปิดบาปทุกทุกทวารเนี่ยเป็นการดีว่า้นแล้วก็บอกพลิกษูตสํารวมได้สํารวมได้ทุกทวารแล้วเนี่ยจะพ้นจากทุกทั้งปวงได้ในขุตการนิกายธรรมบทกล่าวอยา่างเงี้ยมาคันธยะรัฐที่ของมาคันธยะนี่ เขาเรียกว่าสอนเรื่องการที่จะพอกพูนกามออกคุณพระพุทธเจ้าตรัสกับต่อมาก็เลยได้สนทนากันนั่นแหละมาเจอกันแล้วก็สนทนาทีนี้ก็บอกว่าเมื่อพระบรมศาสดาสดับเสียงเบ็ยดเสร็จแล้วก็เข้าไปหาน ะ, ะทับนั่งในที่เครื่องร่าที่ปูวไว้ลําดับนั้นพรามภาละทวาชโคตเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสด า, สดาถึงที่ประทับและปลาศัย นั่งนาตที่วรส่วนข้างหนึ่งแล้วเนี่ยพารัทธวชะท่านกลับมาคันยะปริภาชกปารบถึงเครื่องราชย่าเนี้ยได้เจรจาโต้อตอบกันอย่างไรบ้างโอ้โหมาถามอย่างเงี้ยสะดุงไหมสะดุ้งแล้วเมื่อพระบรมศาสดาตรัสอย่างนี้แล้วพราหมณ์พารัทธวชะโคตรเนี่ยตกใจเกิดลมชาติชูชัน ได้กราบทูลกับพระบรมศา ส, สดาว่าข้าพระองค์ปราถนาจะกราบทูลเรื่องนี้แก่พระผู้พิภาคเจ้าอยู่แล้วแต่ท่านพระโคดมตัดเสียก่อนเข้าพระเจ้าจะกราบทูลเสียอีกบอกหมายความว่านี้แหลเป็นเรื่องระหวังนี้แหลเป็นเรื่องระหว่างพระผู้มิภาคเจ้ากับพราหมณ์ภาระทวาชโคตรค้างอยู่ล้ำดับนั้นมาคันธิยาปริพาชกเดินเที่ยวมาแก้เมื่อยก็เข้าไปเฝ้าพระาศาสดาแล้วก็ปลาศัย ภาษาสดาก็ตรัสถามเลยหลังจากนั่งนะัตถิควรส่วนข้างหนึ่งถามมาคันธิยะปริพาชคบอกว่ามาคันธิยะตามีรูปเป็นที่มายินดียินดีแล้วในรูปอันรูปได้บันเทิงแล้วตานั้นตาฐาคตฝึกแล้วตถฐาคตคุ้มครองแล้วตถฐาคตรักษาแล้วตถฐาคตสํารวมแล้วตถฐาคตย่มแสดงธรรมเพื่อสมรวมตามาคันธิยะคำที่ท่านกล่าวว่า พระสมนะโคโดมเป็นผู้ทำลายความเจริญนั้นท่านหมายเอาความข้อนี้ละสิหนอห น, หนี่นใช่ไหมใช่ข้อนี้ไหมถามมาคันดยะว่าเธอบอกว่าตถาคตเนี่ยกำกัดความเจริญใช่ไหมใช่หมายแบบนี้ไหมถามเนี่เพราะว่าทางถทวานตาเนี่ยตาถาคตฝึกแล้วฝึกด้วยอะไรสิกขาสามเนี่ยใช้ศีลสมาธิปัญญาฝึกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมบริบูรณ์แล้วเนี่ย ฝึกไปจนถึงอริยมรรคแล้วทำอริยมรรคโสดามรรคสกัาคามรรคอนาคามรรคอารมรรคนี่ฝึกหรือยังอย่างเราฝึกหรือยังเนี่ยนี่กลังฝึกหรือจะฝึกหรือฝึกแล้วโอ้น่าชื่ใจจริงเลยเนี่ยกลังฝึกจริงรเปล่ากาลังฝึกจริงมโอ้ฝึกจริงเลยเนี่ยฝึกกันแบบนี้เลย อ๋อฝ okay, ึกเป็นระยะอ๋อกิเลสมีการพักรบเขาฝึกตลอดไหมเออใช่นะอ้าวลองเสนอวิธีฝึกสักวิธีที่เอาฝึกยังไงเอาใครฝึกอย่างไรฝึกเงี้ย อ่ะตอนนี้ฝึกแล้วจะคุ้มครองทางทวารตาเนี่ฝึกยังไงเรจะฝึกยังไงเอาวิธีฝึกฝึกยังไงหมอฝึกทางทวารตาฝึกไดอยังฝึกไดอยังกําลังฝึกเลยไปถึงไหนแล้วไปถึงไหนแล้วกำลังนิกำลังฝึกนี่แปลว่ากําลังทําเลยใช่ไหมเนี่ยทำนานนี่ยัง เป็นคนที่ยินดีสิ่งที่เห็นอยู่ไหมยังยินดีอยู่ไหมยังดินดีบ้างนี้บ่อยไหมอ พรจริงๆต้องการอยากจะรู้ว่าฝึกแบบไหนไงวิธีการปึกใช่ไหมเพราะการฝึกมันต้องฝึกใช่ไหมฝึกนี่เป็นชื่อของอะไรนะเป็นชื่อของศรัทธาด้วยไหมวิริยะสติสมาธิปัญญาที่ไหลยอยู่ในในในใ น, ในการเห็นในขณะที่เห็นก็แทนที่จะให้ตัณหามนาัิสติเกิดแต่ก็ให้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเกิดใช่ไหมเห็นแล้วศรัทธาเกิดเนี่ยเกิดยังไง เออเกิดยังไงอ้าวเมื่อเรเห็นดอกไม้ศรัทธาเกิดยังไงเห็นอาหารเนี่ยศรัทธาเกิดยังไงเห็นเสื้อผ้าเนี่ยศรัทธาเกิดยังไงใช่ไหถ้าฝึกจริงต้องดูก่อนต้องดูที่เดินศรัทธายังไงเห็นอาหารเห็นเสื้อผ้าเห็นภรรยาเห็นลูกนั่งรถไปเห็นรถสวนไปสวนมาต่างๆเหล่านี้หรือเห็นกับคนอื่นต่างๆเหล่านี้เออศรัทธาเกิดยังไงอยากจะดูว่าฝึกทิศศรัทธรียยังไง ถ้าเห็นแล้วในศีลเกิดบ้างไหมในรูปที่เห็นบ่อยไหมระหว่างเกิดกับไม่เกิดตั้งใจฝึกไหมที่ว่ากำลังฝึกเนี่ยได้ตั้งใจที่จะฝึกห ร, รือเปล่าตั้งใจไหมตั้งใจตลอดไหมว่าจะต้องฝึกในการเห็น <c oughs> เลยแล้วเวลา เวลากุศลศีลเกิดขึ้นในขณะที่เห็นเนี่ยก็รู้อยู่ไหมว่าตอนนี้กำลังฝึกอยู่และกระทากำลังทำให้กุศลศีลเดินอยู่รู้อยู่หมหรือฝึกแบบไม่เข้มขน้น ไ, ไม่เข้มคนตน้อไถามมันอยากรู้วิธีฝึกจะได้เป็นแบบบ้างถ้ามันโถกเห็นนะอยากอยากเห็นวิธีฝึกใช่ไหมแล้วแล้วใครเดียวนี้เอานั่งข้างหลังนะ วิธีฝึกในการเห็นนะทำไงดีเวลาเห็นนะยอมยอมมริวารเนานะ <c oughs> นี่หลบไกลเลยนอนไม่ค่อยเห็นเลยมะฝึกยังไงวิธีฝึกฝึกยังไงเวลาเห็นแล้วฝึกยังไ <c oughs> เงเพราะพระเจ้าบอกว่าต ถ, ถาคตฝึกแล้วใช่ไหม <c oughs> แต่เมื่อกี้หลายท่านบอกว่ากำลังฝึก <c oughs> ก็อยากจะดูว่ากำลังฝึกในกำลังยังไง มาถึงตั้งประเด็นว่าจะฝึกกำลังฝึกหรือฝึกแล้วอยู่กำลังฝึกใช่ไหมตอนนี้นะก็เลยถามว่าเอวิธีการฝึกฝึกแบบไหนก็่อที่จะได้เป็นประโยชน์แก่ผู้ผู้ศึกษาผู้ฟังประธรรมที่ว่ากาลังฝึกในชีวิตจริงเลยนะจะฝึกยังไง อ่ะเป็นการฝึกไหมใครเราช่วยขยายด้วยตรงนี้ถือว่าฝึกหรือยั ง, งก็ก็ก็ถือว่าเริ่มเริ่มมองเห็นว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์นะีนะก็เลยจํากัดความเจริญทางด้านตาหูจมูกลิ้นกายใจไปนะทางด้านกามคุณนไปเพราะว่าถ้าถ้าหากให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะนะเจริญเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการพอกพูนกามคุณก็เลยจํากัด แต่ น, นี่เขาเรียกจำกัดพื้นที่จากัดพื้นที่ล็อกพื้นที่ได้แล้วแล้วก็เลยไปแต่พื้นที่นี้อันนี้การปึกเนี่ยเป็นการจำกัดพื้นที่อย่างเดียวพอไหมใหหตมมนตัวเนี้ยเป็นตัวถ้าถ้าอย่างเนี้ยลักษณะเี้ยตัวศรัทธานั่นแหละเป็นตัว ทีนี้ถึงได้ได้กล่าวแล้วว่าตัวศีลใช่ไหมเขาบอกศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาเนี่ยเพราะอัตวะเป็นศีลวิสุทธิเห็นเพราะอะไรเป็นศีลวิสุทธิเพราะอะไรเพราะออกจากอสัตถยะก็สังเกตดูที่ว่าศรัทธาเพิ่มไหมใช่ไหมศรัทธาเนี่ยเป็นศีลได้เพราะออกจากอสัตถิยะได้ออกจากความไม่มีศรัทธาน้องเข้ามาศรัทธาเลยเป็นศีลวิสุทธิ วิริยะเนี่ยออกจากโกศช้าอกุศลเป็นต้นได้น้อมมาระดมความเพียรในการที่จะประคองกุศลรักษากุศลเป็นต้นเหล่าเนี้ยเลยเป็นศีด้วยสุดที่อย่างนี้เป็นต้นเพราะออกจากปานาติบาตเป็นต้นได้ด้วยนะตอนนั้นเน่ยนั่นแหละคือฝึกอย่างเงี้นะอา้าวตอนนี้คนอื่นบางที อ๋อนี่เขเป็นสาวนานุตรีเพราะเป็นการฟังที่เยี่ยมใช่ใช่ คือตรงนี้เวลาดูว่าคําว่าทัศนานุ ต, ตริยาสวนานุ ต, ตริยะเป็นต้นนี่ย น, นะหรือเกี่ยวในเรื่องของราพานุ ต, ตริยะอะไรไปตามลําดับจนถึงอนุตริตา เ, เป็นนุ ต, ตริยะก็บอกว่าคําว่าการเห็นที่เยี่ยมเนี่ยการเห็นที่เยี่ยมเนี่ยเพราะเป็นการเห็นไปเพื่ออะไรใช่ไหมเพื่อดับอะไรใช่ไหมเพื่อดับทุกโธมานัสใช่ไหมโสก่าพริเทวะทุกโธมานัสอุปยา เพื่อการดับเพื่อเพื่อเพื่อจะไม่ให้โสกปริเทวะเกิดขึ้นเพื่ออัสดงดับไปแห่งทุกขโทมนัทแล้วก็เพื่ออะไรเพื่ออะไรอีกเอาอานิสงส์การเจริญสติปัฏฐานมีอะไรบ้างใช่ไหมเพื่อบรู้ญาณธรรมเพื่อบรู้อริยมรรคเพื่อกระทําปัณิพานให้แจ้งฉะนั้นกรณีการที่ไปเห็นพระพุทธเจ้าเห็นสาวกของพระพุทธเจ้า เห็นในขนาดไหนเราอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยคือการเห็นเห็นพระพุทธเจ้าถ้าการเการเห็นในที่นั้นไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อเห็นด้วยตาคือปัญญาเวลาเราอ่านพระไตรปิฎกว่าข่านี้นะบอกว่าพระบรมศาสดาตรัสแก่มาคันธิยะปริพาชกพุ่นั่งอยู่นะที่ควรส่วนข้างข้างหนึ่งว่ามาคันธิยาเนี่ย ตามีรูปเป็นที่มายินดียินดีแล้วในรูปอันรูปได้บันเทิงแล้วเป็นต้นเห็นไหมเพราะตรัสว่าดูก่อนมาคันธียะตามีรูปเป็นที่มายินดีถ้าเราเห็นภาษาสดาอย่างไงไปเฝ้ า, าลบคําว่ามาคันธียะออกไปใส่ชื่อตัวเองลงไปเห็นไหมอย่างเงี้ยไปฟังจริงๆริงไหแบบเนี้ย ก็ใส่ชื่อชื่ออะไรยมแก้วก็ใส่ลงไปพเพราะเราเจริญตามาเยอะแล้วเนี่ยพออพูนตามาแล้วได้น้อมฟังจริงๆเลยอย่างเงี้ยอ่านยังงอ่านอย่างเงี้ออยอ่านได้ไหม